<c oughs> ท่านท่านสาธุชนที่เคารพการจิตอีกกลุ่มหนึ่งมาอธิบาย อันพิเศษหรือผลอันสุกงอมเปรียบเทียบเหมือนกับผลของไม้ที่เรียกว่าผล ผลที่ถือว่าเป็นผลวิเศษเป็นผลมุ่งหมายเป็นผลที่เป็นไปตามความบุคคล จะเป็นกุศลกรรมก็ตามจะเป็นอกุศลกรรมก็ตามบุญและบาปทั้งหลายนั้นย่อมจะมีผลเป็นในหลายส่วนคือ โดยตรงกับหมายความว่าๆมีๆเป็น ก็คือวิบากจิตเป็นผลที่อยู่ในความมู่หมายฉะนั้นในพระภิกรรมจึง ที่มีความหมายก็เพราะว่ามีจิตเป็นผู้เฝอยวิบากนั้น ในแง่ที่ว่าเราจะเป็นผู้ได้รับสวะวิบากของกรรมทั้ง <c oughs> จิตที่เป็นกิริตผลของมหาปุสสลจิต 8 โดยมีสภาพอย่าง 19 ดวงก็ได้ก็เกิดในมหาวิบากจิตได้ กัมมจิตฝ่ายเหตุหมายถึงจิตที่เป็นเหตุให้ เอ่ออันนี้ก็คงจะต้องกล่าวไว้ จะเป็นดวงใดดวงหนึ่งหรือดวงใดดวงหนึ่งมากกว่าดวงใดดวงหนึ่งก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลที่เป็นผู้กระทํากรรมนั้นแต่มหากุศลนั้นเมื่อให้ผลเป็นวิบากจิตผมผมย้ําว่าใน 8 ดวงนั้นไม่ได้มี 8 เท่านั้น สามารถที่จะให้ผลในระดับเรียก 8 ได้ก็คือให้ 5 มีสัมปติชนะฝ่าย 1 มีสันตินะฝ่ายกุศล 2 เอ่อเหล่าเนี้ยเป็นเรื่องของอเหตุกวิบาก อ่อนหรือมีคุณภาพต่ำกว่ามหาวิภาก 8 ดวงจึงแยก 8 นะกล่าวสมบูรณ์นะฮะเรียกสมบูรณ์ ส่วนอเหตุกะวิบากจิต 8 ฝ่ายกุศลนั้นน่ะเป็นอเหตุกะคือขาดความสมบูรณ์ <im üt> 8 นั้นเมื่อบุคคล นะฮะส่วนที่สมบูรณ์ก็คือเป็นหรือตรงกับตัวเหตุเหตุมีสภาพเป็นมหากุศลวิบากก็เป็น 8 ดวงเหมือนกันเลยซับชื่ออาสาบาลี 8 ก็เหมือนกับมหากุศลถ้าจะดูไม่ออกว่า อ่าส่วนกรรมกุศลวิบากไปแล้วล่ะก็ก็ดูจะดวงซึ่งก็เป็นหมายความว่า ก่อนที่จะพูดถึงมหาวิบากแล้วที่เรียนมาใน 18 ดวงนะฮะก็พูดถึงมาก่อนฉะนั้นพอมาพูดถึงมหาวิบาก กิจ 8 ที่เรากําลังจะพูดถึงในตอนนี้ซึ่งเป็นผลสมบูรณ์ตรงนี้น่ะเลยจึงจะขอจําเป็นจะต้องพูดถึงอ่าสภาพของมหากุศลก่อนเพราะว่าอาจ <ม. S 1> ที่ท่านแสดงให้เห็นว่าเวลาบุคคลทําบุญยะกิริยาที่เป็นกามวจาร คือบางทีก็อาจจะมีความสมดุลในบางบางช่วงบางใน มีสภาพที่ใครทําก็เหมือนกันนะความต่างนั้นมี ที่เหมือนกันเหมือนนะใครเข้าชานเมื่อไหร่เนี่ยเราเห็นได้ชัด ที่หมายความว่ามีกําลังกล้ามียิ่งน่ะแปลว่ายิ่งอุกริดน่ะที่ที่แปลทับศัพท์อุกฤตคําเนี่ยก็ได้นึกเทียบกับความเป็นอสังขาริกสังขาริก คือถ้าได้ยินคําว่าอาสังขาลิกอ่าได้ยินคําว่าอสังขาริกหรือสังขาริกที่แปลเป็นเหตุเกิดของกุศลนั้นอันในกรณี แรงกระตุ้นจากเกบปัจจัยต่างๆตายวาจาใจและที่เป็นอสังขาริกก็ตรงกันความคือเกิดขึ้นเอง ก็เกิดขึ้นด้วยความพร้อมอยู่ในตัวเองมีแรงกดดันภายในอยู่พอ เพราะว่าวิถี 11 จะเกิดจากกระแสเหตุปัจจัยเดียวกันแล้วก็เกิด มันต่างกับรูปาวจรกุศลโลกุตระกุศลตรงนี้ครับคือถ้าทําโลกุตระกุศลเนี่ยท่านไม่แบ่ง ไม่เป็นน่ะความคิดจะเข้าฌานเนี่ยมันเป็นจิตอื่นที่เป็นตัวคิดใช่มั้ยออกจากฌาน ความเป็นชานกุศลเป็นตอนเข้าจึงได้ความว่าชานกุศลก็ดีโลกตระกุศล นึกคันน่ะได้มือเก่าๆหูอ่าเดี๋ยวย้อนกลับมาดูใน มุญจนะเจตนานะฮะไอ้ที่สมบูรณ์ 100% เลยก็คือภาวนากุศลภาวนากุศลภาวนากุศลจะ เป็นภาวนากุศลยังไม่เป็นนะไม่ถือว่าเป็นภาวนากุศลเป็นต่อเมื่อเราทําและเมื่อทํา มีมาอีกตัวนึงก็คือคิดถูกถูกกรรมคือจะเป็นความเห็นตรงถ้าเราคิด และถ้าหากว่าเราทําความเห็นตรง แต่ก็ไม่ถึงกับปฏิเสธอปรเจตนาตะดินเชิงคือศีลกุศลศีลกุศลเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าคือเรื่อง อย่างนี้ก็เป็นศีลที่ 2 แต่อัปปะระศีลไม่มีอ่ะเช่นไม่รู้นะมีบุกมาเจตนา ศีลานุสตินั้นไม่ถือว่าเป็นศีลกุศลแล้วนะครับศีลานุสตินั้นจะปรารภศีลที่ตัวรักษาได้มาอย่างนี้อย่างๆก็ กลับกลายเป็นว่าศีลนั้นไม่ได้มีฐานะเป็นศีลกุศลตอนในขณะนี้ศีลกุศล ล่วงหน้าเนี่ยจะได้หรือไม่ไม่ได้ทําไปก็สมาธิไม่เกิดในศีลเนี่ยศีล ก็ได้ประโยชน์ 2 อย่างนี้ทีนี้ถ้าเป็นทาน นะครับตัวสมาธินั้นเป็นภาวนาเสมออารมณ์อาจจะเป็นอย่างอื่น เป็นส่วนไอ้เรียกว่าความเกี่ยวข้องกันระหว่าง <c oughs> <c oughs> ทานกุศลเนี่ยสะเป็นทานกุศลในส่วนของบุพพาเจตนาได้คิดๆจะให้ไม่ทําอะไรเลยไม่เตรียมหง้าหง้าปลานเลยไม่เตรียมอะไรสักอย่างนึงใช่มั้ยแต่นี่ มันบุคคลใดเตรียมการเพียงเท่าใดปณิธานเท่าใดด้วย โดยทั่วไปน่ะการเตรียมกาโนเตรียมกันนานสักต้องคิดดูมานั่งผมพูดชั่วโมงผมเตรียมเท่าไหร่นะนี่มันเป็นไอ้ ผมเคยรอว่าอย่างนั้นนั่งกินไปดายไปจะได้กินในทั้งวันมันจะได้อร่อยได้ทั้งวันมันก็ไม่ได้อย่างนั้นเป็นของที่แบบเนี้ยและเมื่อกระทําเสร็จแล้วเกิดอปรเจตนา เวลาท่านแบ่งแบ่งกําลังท่านเอาบุพพเจตนากับมุนชนะเจตนาไว้ส่วน ซึ่งไอ้การพูดอย่างนั้นก็เป็นอ้าวไม่ไม่ไม่ทําไม่เอามาต่อให้เนี่ยทําให้มองไอ้ภาพผืนของ ดีส่วนนี้ด้อยส่วนนี้ก็นะไม่ว่าเป็นขนาดคือง่ายดีสําหรับคนทั่วไปเพราะ 3 ก็ 4 ก็ 5 เนี่ยเป็นการกล่าวยักษ์ไป เจตนาหลังทําเสียเอ่อไอ้เจตนา 3 กาลเนี่ยเดี๋ยวผมถามให้เห็นชัดนี่จะน้อยที่สุดแต่บางครั้งไอ้ก่อนทําอาจจะน้อยกว่าอันเป็นไปได้ ที่ปุบปับก็ทําเลยอะไรอย่างนี้อาจจะมีนะแต่พูด เราทําเมื่อ 10 ปีก็ยังหลังธรรมนะ 20 ปีก็หลังธรรมตรงนี้แหละครับมันจะแสดงถึงความ ไอ้ก่อนทําขนาดทําในบางทีมันไม่แน่แต่ถ้าคนไหนทําไปตั้งนานแล้วยังยังมีความเชื่อมั่นยังมีความมั่นคงไม่โอ้เรานี่ไปเสีย มีอะไรเร็วลงแล้วอะไรเลวลงแล้วนะสืบไปจะกลับก็เจอว่าอ้อทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเช่นสมมุติว่าบวชก็บวชครับสมมุติเราไปมัวหลงบวชอยู่ได้ทั้ง 10 ปี มันมันก็มีทางที่จะคิดได้คนเราเนี่ยฉะนั้นถ้าคนไหนยังยืนความคิด อุคตถ้าในส่วนเบื้องปลายอปรเจตนาเสียก็เป็นโอมกะเป็นโอมกะเรียกว่า นี่ก็เอ่อในส่วนหนึ่งที่จะให้แล้วขณะจิตควรจะเป็น นะควรจะต้องเป็นอสังขาริยทีนี้เจตนาที่เป็นอุคตถะเอาละแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่เพราะนั้นท่านถึง เอาเมื่อว่าอย่างนี้ก็เป็นให้เห็นภาพอืมเอ่อในส่วนของตัว ตรงนี้หมายความว่าถ้ากุศลเป็นญาณวิปปยุตจะส่งผลให้เป็นมหาวิภากญาณสมยุตไม่ได้เพราะมหากุศลญาณสมยุตนั้นเป็นเกณฑ์สูงญาณวิปปยุตนั้นเป็นเกณฑ์ อสังฆาริกจะอาหะที่เป็นสังฆาริกจะส่งผลเป็นสเป็นอสังฆาริกไม่ได้ที่เป็นสังฆาริกนะ เป็นวิบากที่ไม่สมบูรณ์วิบากที่ไม่สมบูรณ์ที่มหากุศลทุกตัวเนี่ยครับสามารถจะส่ง เราทำทานด้วยรูปจะให้รูปโดยตรงสิ่งที่เป็นรูป เหลือเกี่ยวกับรสก็ได้เนี่ยบางทีเราให้ให้ในฐานะเป็น ฐานะของความเป็นอารมณ์ได้ครบส่วนก็คือเราได้เสมือนนะมันไม่ใช่ซีอินวัน แต่ก็จะได้สิ่งที่เป็นของแถมจากสิ่งเหล่านั้นที่ แล้วก็อาจจะเป็นวิบากต่ําลงไปกว่านั้น มหาวิบากทำหน้าที่เห็นไม่ได้มหาวิบากมาทำหน้าที่ริม ราคาของการให้ผลอย่างเป็นอเหตุกวิบากนั้นมันไปอยู่ที่อารมณ์อ่ะมันไปอยู่ อย่างดีดีนะมียามหน้าบ้านจับสุวิญญาณสิ่งกระถือเป็นอิทธิพลอย่างที่จําเป็นต้องใช้จําเป็นต้องมี เกิดในลำดับของวิถีจิตเหมือนกันแต่ราคาไปอยู่ๆเนี่ยมันกลาย แต่ถ้าเป็นอย่างไม่ดีก็อาจจะเห็นรูปาลมได้ ในประเด็นตรงนี้ซะในส่วนที่แทรกเพิ่มเติมเข้ามานะฮะที่กล่าวว่ามาวิบากก็เป็นนั้นว่าเป็นที่ชัด แต่มหาวิบัตินั้นมาพูดถึงผลหลังเหตุ ไม่ได้ทําเอกสารมาเป็นละเอียดนะฮะอย่างที่พูดๆเนี่ยถ้าทําเอกสารหน่อยก็จะดีขึ้นเยอะคือที่จะ อ่าเราย้อนมากุศลก่อนเนาะมหากุศลที่ชื่อมหากุศลเนี่ยเราหมดในอารมณ์ในบุญกิริยาที่แตกต่างกันคือว่าถ้า ก็ถือว่ามหากุศลนั้นเกิดอย่างไปเป็นลูกน้องพวกฌานจิตเป็นผู้รับใช้นี่เป็นสำนวนเทียบนะเป็นผู้รับเนี่ยเป็นตัวเนี่ยเรียกเป็นผู้ ที่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะอย่างเราๆเนี่ยถือเป็นหลักเลยเป็นธงชัยของเราเลยเอ่อเว้นค่อยๆลดลาขาลดอันดับ ถือว่าเป็นเทพเจ้าเลยครับทําไมถึงๆกันเช่นเปรตฌานมีใครเป็นประธานเป็นประธานนั้น พอไปถึงเปรตเป็นถึงอสุรกายโลภะเป็นประธานเป็นปกติเป็นธรรมดาก็อยู่กัน ไอ้นั่นไปก็จะมาจริงมาแย่งอะไรอย่างงี้นะไปตัวนี้ก็ขอแล้วขออีกตื่นแล้วตื่นอีกเค้าเนี่ยเราคงกลุ่มโอ้มีกุรุนิบาตไม่แข็งพอไปว่าถ้าเรา คลายที่ติ่งมันไปมันเสียอยู่แล้วถึงไปนะมันก็กลาย <laughs> เนี่ยไม่เหมือนกับในโลกมนุษย์เรามนุษย์โลกมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีทางให้เลือกเยอะอย่าไปอ่านี่ผม ฆ่าสัตว์ใดเนี่ยเกิดมีมหาบุญขึ้นมาสักนิดสักหูเป็นไอ้ทีเข้าเอาว่าเป็ดอุ๊ดฟังภาษามนุษย์ สุนัขเหมือนมันเรื่องเล็กน้อยจริงๆมันเรื่องเล็กน้อยนั่นเองมันเรื่องเล็กน้อยเด็กอารักษ์ก็รู้เรื่องแต่เราเห็น อ่าชนกดูดนมเสือลูกเสือดูดนมชนกอะไรทํานองนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าตื่น ตัวลักษณะจิตอย่างนี้ออกมาได้จึงเป็นสิ่งพิเศษในภูมิเหล่านั้นมันก็ กระนั้นมหาวิบากภูมิไหนบ้างมหาวิบัติมหาวิบัตินั้น 4 เลยเพราะมหาวิบัตินั้นเป็นผลของกรรมที่เป็นเรื่อง ซึ่งมาวิบากเนี่ยเน้นเรื่องคุณภาพภายในความดีภายในวิบากภายในแต่ท่านอาจจะนึกว่าก็สัตว์เดรัจฉานบางทีมันอยู่ดีกินดีกว่าคนตั้งหลายคนมนุษย์ในแอฟริกาล้มหายตายกันวันเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่การเป็นอยู่เป็นอย่างไรๆหลายๆตัวๆ ขอโทษเออไม่ใช่ดูถูกก็ที่นั่งๆเนี่ยผมว่าก็มีหลายคนที่มีดีรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะทุรนักแล้วอาตมามันมันไป ถึงยังไงมันก็โง่กว่าเราล่ะให้มันอยู่ห้องแอร์ให้มันอยู่กับเครื่อง ในทางอารมณ์ที่เป็นส่วนอเหตุกจิตเนี่ยครับสุนากะอาจจะนะเพราะฉะนั้นผลที่เป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานะวิญญาณจิวหาวิญญาณของสัตว์ใน คือว่าถ้ามนุษย์ดีเดี๋ยวเราคงจะพูดเหมือนกันนะจะแต่อะไรเนี่ยแต่ก็จะนึกๆมีความเป็น เอาสุนัขมาอยู่ในคฤหาสน์ก็ไม่ได้ทําให้สุนัขนั้นหางโอดเข้าหูโอดแล้วมี มันเข้ามาได้ในอ่าในส่วนอื่นๆที่เป็นเรื่องนอกตัวอันนี้เป็น ที่เป็นวิบากหลักนะเป็นวิบากหลักเนี่ยของเค้ามีเค้าอยู่แล้วถามว่าวิบากอะไรเป็นนั้นสามารถที่ วิบากเศษเสร็จคือมหาวิบากที่เนี่ยไปเช่นพรหมเห็นรูปดีได้หรือนะสรุปพรหมเนี่ยเห็นรูปนั้นก่อนที่จะเกิดเนี่ยเขาก็ต้อง ทำสมาธิเบื้องต้นเนี่ยจิตเป็นมหกุศลไม่ใช่ฌานจิตนั้นสิ่งเหล่าเล็กๆน้อยๆเสริมความเป็นอยู่ของพรหมนะฮะ วิบากก็ไม่ได้ให้ผลเป็นหลักผลเกษิญคือวิบากหลัก